2.5 จุห้าชาวพุทธวางแผนเป็นวงเล็บเปิดเกามกราคม2 5 5 0ในวงเล็บสองจุดจุดนาที24ี่วงเล็บปิดเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าจิตเป็นไตรักนะไม่ได้เรียนเพื่อให้จิตเลิกคิดหรอกดูออกไหมจิตทำงานตลอดเวลาจิตมีหน้าที่คิดคำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้ปัจจุบันไม่ใช่แปลว่าห้ามรู้อนาคตนะพระพุทธเจ้าวางแผนนะ วันนี้จะไปสอนใครกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วว่าวันนี้จะสอนนายคนนี้จะไปสอนที่ไหนเวลาไหนจะไปหาเขาจะจัดฉากแบบไหนเช่นเดินผ่านไปให้เขาถามหรือเดินไปคุยกับเขาหรือสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมาเช่นไปเดินล่อให้พระองค์ครีมานไล่นี่ท่านวางแผนนะไม่ใช่ว่าท่านไม่คิดอนาคตนะท่านคิดแล้วท่านจะไปสอนเขาจะสอนด้วยธรรมะข้อไหนท่านรู้ล่วงหน้าเลยนะว่า คนนี้ต้องสอนด้วยธรรมะข้อนี้สอนแล้วจะได้ผลเป็นอย่างไรนี่เป็นยอดนักวางแผนเลยนะครบของกระบวนการวางแผนหมดเลยกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะกำหนดวัตถุ ป, ประสงค์ที่ต้องการกำหนดวิธีการแล้วก็เข้าไปจัดการจะได้ผลอะไรตั้งเป้าไว้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าปัจจุบันไม่ใช่แปลว่าห้ามวางแผนหลายคนคิดว่าชาวพุทธนี่วางแผนงานไม่ได้ไม่ใช่ชาวพุทธต้องวางแผนงานนะต้องคิดเป็นไม่ใช่ไม่คิด เราไม่ได้ฝึกใจให้เลิกคิดแต่เราฝึกใจให้เป็นอิสระจากกิเลสตัณห์จิตใจเนี่ยพอคิดไปคิดไปกิเลสจะเข้าแทรกเพราะเราไม่รู้ทันแต่ถ้าใจเราคิดปุ๊บกิเลสแทรกเข้ามาเราก็รู้ทันต่อไปเราจะคิดได้นะแต่กิเลสไม่แทรกพระอรหันต์ก็คิดนะพระอรหันต์ไม่ใช่ว่านั่งเฉยเฉยไม่คิดอะไรทั้งวัน ใจนี้มีธรรมชาติรู้สึกนึกคิดเราไม่ได้ฝึกให้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติดั้งเดิมของมันไปให้รู้กายรู้ใจอย่างที่เป็นไปก่อนพอเราเลิกยึดถือแล้วใจจะว่างถามว่าว่างอย่างไรว่างจากกิเลสว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวตนไม่ใช่ว่างเปล่า